g a t c h a a d n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 อั น, นี้บงบอกไหมว่าเพราะเราไม่มีข้อมูลที่ถูกก็เราเดินกันมาเกิน7ปีไหมเพราะอา น, นิสงส์การเจริญสติปัฏฐานเน่ยเปีได้บรรลุอนาคาหรือเป็นพระอรหันต์นะเราไปดูที่ท้ายของสติปัฏฐานสูตรในสูตรที่10ของมัชฌิมานิกายมุนโบนาเนะี่ยไปดูเลยถ้าเดินถูกจริงๆนั่งถูกจริงๆนอนถูกเนี่ยเปีก็บรรลุแล้ว น, นี่บ่งบอกเลยว่าข้อมูลเราไม่แข็งแรงแต่เราไปเข้าใจผิด คิดว่ามันมันถูกแล้วไงถ้ามันถูกแล้วมันต้องบรรู้สิใช่ไหมอันนี้แสดงให้เห็นชัดก็เพราะเราเดินไม่เป็น น, นั่นเองไม่ใช่ว่าเดินไม่เป็นนี้มาโกรธใครเดินเลี้ยงโลกเพราขนาดนี้แล้วขามาบอกว่าเดินไม่เป็นในยุ่งหรือใช่ไหมก็คืนนอค่ะอาจารย์เจ้าค่ะค่ะแล้วถ้าที่เราเดินยืนมาตลอดชีวิตเนี่ยยังไม่บรรลุธรรมกราบนมัสการพระคุณเจ้านะคะ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 คัดฉันโตวาคัชามีตีประชานาติเนี่ยเมื่อเดินก็รู้ชาติบทนี้เราเดินก่อนเราเดินอยู่นเนี่ยนะเอางี้ดีไหมว่าสติปัฏฐานสูตรที่เคยบรรยายไว้น่ะหลายท่านที่บรรยายถูกก็พอมีไปฟังสูตรนี้ให้จบก่อนดีไหมใช่ไหมถ้าเราจะต้องการจะเดินสติปัฏฐานเต็มรูปแบบแล้วครบวงจรจ ร, จริงๆไงมีพระที่ท่านบรรยายตามในย่าของพระไตรปิฎกนะั้นมีอยู่นะ มีอยู่ฟังให้เข้าใจแล้วเวลาไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะได้มีข้อมูลแล้วก็จะชัดเจนถ้าอย่างนี้ก็ไม่ล่มหลงใช่ไหมไม่ล่มหลงทีนี้ถ้ายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยความเข้าใจที่อาจจะเกิดในการปฏิบัติในการผิดพาดเนี่ยถ้าถามบอกว่าเป็นนักปฏิบัติมือใหม่ใช่ไหมเนี่ย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 แล้วแล้วเดียข้อแท้จริงที่กําลังเดินอยู่เนี่ยเรากลับให้โลภะเนี่ยเป็นตัวผลักดันทําให้เราเดินเอาสิทุกวันนี้เราก็เดินกันแบบเนี้ยเช่นเราจะเดินไปซื้ออาหารกินตอนนั้นมันเกิดความอยากจะกินอาหารขึ้นมาโลภขึ้นมาใช่ไหมหนี่เดินไปทํางานทั้งหลายความโลภก็ผลักดันเราตลอดเวลาแล้วเราก็เดินกันไปด้วยความโลภอย่างนั้นจะเรียกว่านักปฏิบัติไหมก็ไม่เรียกอีกหรือบางคราวไม่พอใจด้วยในขณะที่เดินก็โทสะอีก อภิชาและโทมนัทมันก็เป็นปัจจัยผลักดันทําให้อยาบดเราเดินเรายืนเรานั่งเรานอนอยู่ทั้งวี่ทั้งวันอย่างเงี้ยอย่างนี้จะไปเรียกว่านักปฏิบัติได้ไหมเนี่ยเอามาใช้คําว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามที่กิเลสจะสั่งนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อขจัดอภิชาและโทมนัทอะไรเลยใช่ไหมแล้วแต่กิเลสจะบงการได้ทั้งไปถ้าพูดกันไม่รู้ชัดว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสเนี่ย พอ ก, กิเลสสั่งให้เดินก็เดินพอ ก, กิเลสบอกว่าโอ้เนี่ยตอนนี้ร้อนแล้วอยากจะอาบน้ําเลยเกินก็นรีบตาลีตาเหลือกไปแล้วไปอาบน้ําโอ้ตอนนี้หิวเลยเกินโอ้หิวไะเครียดเลยเกินวันนี้เครียดเลอเกินอาบน้ําสบายก็รีบตาลีตาเหลือกไปอาบน้ําแล้วถามว่าชีวิตจริงๆเป็นแบบนี้ไหมถ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าปฏิบัติแล้วเขาเรียกว่าธาตุของกิเลสแล้วแต่กิเลสมันจะบอก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 ก็ฟังคําสอนให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ไปวิจัยเข้ควรในการยืนเดินและนั่งนอนเป็นต้นถ้าอย่างนี้น่าจะดีกว่ามั้ง <c oughs> เพราะถ้าหากมานั่งวิจัยว่ายืนยังไงเดินยังไงนั่งยังไงนอนอยังไงเอามากลัวมันจะเข้าไปลึกไปเดี๋ยวนี้ก็เลยกลายเป็นเอข้อมูลข้อมูลข้างบนก็ยังไม่ค่อยเบื้องต้นก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมเจาะเข้าไปลึกๆเข้าอีกก็ ก็จะมีแต่มาพูดอยู่คนเดียวหรือเปล่ากลัวประเด็นตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้นี่ ม, มีเพราะจริงๆการการสอนในเรื่องของยาบทบอบเนี่ยเราต้องเรียงมาตามลำดับเลยใช่ไหมตั้งแต่ตั้งแต่นั่นแหละคั้ฉันตวาขั้ฉามีติปชาาติเอาพุทธพจน์มาตั้งปุ๊บแล้วอัตถกถาดีกามาขยายแล้วก็ไปเชื่อมโยงในอุเทศยอย่างไงในนิเทศอย่างไงใช่ไหมในคาสอนของพระเจ้า